มีความดุดดื่มอยู่กับท ร, ร ม, มากน้อยเพียงไรย่อมยิ่งมีความสุขมากน้อยเพียงนั้นไม่เหมือนเรามีความดุดดื่มกับสิ่งอื่นซึ่งเกื่ไปได้วยความทุกข์ม่งแฝงกันไปในขนาดนั้นความอิม่มทม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 ประเภทหนึ่งทั้งปฏิบัติลําบากทั้งรู้ได้ช้านี่ประเภทหนึทุขาปฏิบัทาคิปาพินญาปฏิบัติลําบากแต่รู้ได้เร็วนี่ประเภทหประเภทหนึ่งทุขาปฏิบัตทาคิปาพินญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนะ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 นี่ไม่ใช่ของดีเราจิงระมัดระวังเรื่องความคิดที่จะเป็นไทยต่อการดําเนินของเราเราตั้งหน้าเข้าสู่แนวรบอยู่แล้วด้วยกันตั้งหน้าที่จะถอดถอนสิ่งที่เป็นฆาตกรอยู่แล้วด้วยกันมีความภาคเทียนเต็มสติกําลังอยู่แล้วด้วยกันทําไมเราจะเป็นคนนอกบัญคีไป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 ต่างๆที่ปรากฏขึ้นกับตัวได้เป็นอย่างดีมีทุกข์ขัดเป็นต้นเราอย่าไปท้อถอยในเรื่องความทุกข์อย่าไปอ่อนใจในเรื่องของทุต ก, การอ่อนใจในเรื่องความทุกข์คืออ่อนใจต่อการตร่อผู้ปฏิบัติคืออ่อนใจต่อทางดําเนินเพื่อความพ้นทุกข์ของตนซึ่งไม่ใช่ของหลีเลย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 รู้สึกจะท่านจะเป็นพระที่เดินตายมาด้วยกันไม่ค่อยจะอยู่ธรรมนาทมบำเพ็ญธรรมดาแล้วได้รู้ขึ้นมามาเป็นภูที่าจารย์ของบรรดาลิกศิษ์ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นคนเดินตายมาด้วยกันทั้งนั้นท่านเวลาที่ท่านไปบาเพ็ญเราไม่รู้ไม่เห็นท่านไม่ทราบว่าท่านเป็นยังไงทุก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 สาสยบุตรผู้รูกสถาพทเวลาทําความภาเคเทียนก็ไปทุกกับเรื่องความเทียนการแก้ที่เหลวต่อสู้กันกับพิเรศประเภท ต, ต่างๆเพราะพิเรศบางประเภทก็ผาดโผนมากเพราะเคยอยู่บนหัวใจของเราหมานันเราจะกดเข้าลงอยู่ใต้อํานาจนั้นย่อมเป็นของลําบากไม่ใช่ น, น้อยๆเราเองก็ยัง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 ขุดจากคน้นจิเลศออกจากจิตใจของตนจะเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องเบาๆาสบายๆได้อย่างไรต้องทุกข์ต้องลาบากความรักก็เหนียวความเกลียด ก, ก็เหนียวความโกรธก็เหนียวขึ้นชีวะจิตเรศเนี้ยแล้วเหนียวฝังลงอย่างลึกลงถึงคั่วหัวใจเราจะถอดถอนได้ง่ายๆเมื่อไหร่เราฝังมากี่กลับกี่การฝังอย่ที่หัวใจของสาตว์โลก การถอดถอนสิ่งที่ฝังจมอย่างลึกนี้ต้องเป็นของยากเป็นภาระอันหนักไม่ใช่น้อย mm. เมื่อเป็นภาระอันหนักความทุกข์ก็องมากไม่ว่าจะกิเลสประเภทใดก็ตามมันออกมาจากรากาเหง้าข้อมูลของมันคือหวัวใจฝังอย่างลึกด้วยกันทั้งนั้นพาราฝังจมกันมานะ่ะเราต้องใช้ความพยายามแต่การกล่าวทั้งนี้อยากคาดทะเนว่าเรานี้ยิ่งลึกกว่าเพื่อน ก็ยิ่งจะเป็นการจมลงไปอีกด้วยอุบายของกีเรศหลอกเราในเราพูดถึงเรื่องความเพียรหรือความทุกข์ความละบากของครูของอาจารย์ที่ท่านมาแนะนาต่างสอนพวกเราท่านต้องใช้ความอุตสาห์พยา ย, ยามจนกระทั่งได้เหตุได้ผลจากการพูดปฏิบัติเรียกว่ามีต้นทุนขึ้นมาภา ย, นายจในจิตใจใจก็ตั้งหลักได้สติปัญญาก็พอคิดอ่านใ่ตรองได้แล้ว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 สติปัญญาขั้นนี้จะไม่มียอมไม่มีถอยขุดค้นอยู่อย่างนั้นมันอยู่ที่ตรงไหนค้นหาเหตุหาผลสอบนั้นสแสวงหานี้ขุดคุยไปจนตา ก, กรดขึ้นมาพอตากรดตัวกิเลส ข, ขึ้นมาปาั๊บจับเนื่อนั้นตามมันเข้าไปค้นคว้างเข้าไปจนได้เหตุได้ผลแล้วปล่อยวา ง, งการแก้กิเลสต้องแก้ไปเป็นลําดับลํำดับเช่นนี้นก่อน